วันนี้เป็นวันพระรหัสที่13ตุลาคมพุทธศักราช2565เป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันที่เราจะมารำลึกถึงการจากไปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่9ผู้มีพระคุณอันประเสริฐต่อพวงชนชาวไทยที่ชาวไทยทั้งหลายได้รำลึกถึงพระคุณและอยากจ ะ, สะแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อพระคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่เก้าการแสดงความประตันอยูตอ่ต่อพระองค์นั้นก็คือการกระทำตามคำสอนตามความปรารถนาของพระองค์ที่อยากจะให้ประเทศชาติบ้านเมือง อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยความรักด้วยความสามัคคีต่อกันการที่เราอยากจะตอบแทนพระคุณของพระองค์เราก็ต้องอยู่ร่วมกันด้วยความรักด้วยความสามัคคีกันอย่าอยู่ด้วยความเปลียยชัง อย่าอยู่ด้วยความแตกแยกเพราะจะเป็นการทำลายประเทศชาติเป็นการทำลายบ้านเมืองที่เราอยู่อาศัยกันเราคงจะเห็นตัวอย่างของประเทศที่มีการแตกแยกมีการแตกความสามคัคคีมีการต่อสู้ฆ่าฟันกันเองกลายเป็นบ้านแตกเสาแหลกขาด สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศนั้นจนถึงกับไม่สามารถที่จะอยู่ได้ต้องอบยกหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะไม่มีความรักความสามีกีต่อกันและกันนั่นเอง มีแต่จะเอาผลประโยชน์ของตนทางฝวายก็ต้องการผลประโยชน์ของตนเมื่อมีความแข่งแย่งชิงดีในผลประโยชน์ก็ต้องเกิดการต่อสู้กันการทำลายกันทำร้ายกันแล้วก็เกิดความเสียหายสูญเสียทั้งทรัพย์สิน สูญเสียทั้งชีวิตกันเป็นจำนวนมากเพราะเหตุว่าผู้คนที่อยู่ในประเทศร่วมกันขาดคุณธรรมที่จะเหนี่ยวรั้งจิตใจคุณธรรมที่จะสมักสมานให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ถึงแม้อาจจะมีความคิดความเห็นที่แตกแยกกันก็ตามแต่ถ้ามีคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้มนุษย์ที่อยู่ร่วมกันในสังคมนี้มีกันมนุษย์จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจะมีมากมีน้อยก็ไม่เป็นปัญหาเพราะว่า ความสุขของการอยู่ร่วมกันนี้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีทรัพสมบัติมากมายมีผลประโยชน์อันมากมายแต่อยู่ที่ใจมีความโล่เงเย็นเป็นสุขถ้าใจมีความโล่เงเย็นเป็นสุขใจจะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแต่งแย่งชิงดีแย่งผลประโยชน์ อะไรต่างๆจากกันละกัน<ม>เพียงแต่ให้มีความพอเพียงต่อการดำรงชีพก็พอแล้วคือให้มีปัจจัยสี่ที่พอเพียงต่อการรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุขซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไม่ต้องมี มากมายเพียงแต่มีอาหารมีที่อยู่อาศัยพอหลบแดดหลบผลได้มีเครื่องนุ่งหง่มไว้ปกปิดร่างกายได้มียารักษาโรคไว้รักษาร่างกายยามเจ็บไข้ได้ป่วยได้ท่านี้ก็สามารถอยู่กันอย่างมีความสุขได้แล้วดังที่พระบาทสมเด็จ ประเจ้าอยู่รัการที่9้าได้ส่งตัดสอนอยู่เรื่อยๆขอให้พวกเราอยู่กันแบบมีเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงก็คือมีปัจจัยสี่พอเพียงต่อการทำรงชีพก็พอแล้วสำหรับทางร่างกายส่วนทางจิตใจการที่จะให้จิตใจของพวกเรานั้น อยู่กันอย่างมีความสุขน้อมเย็นเป็นสุขกาขอให้มีคุณธรรมที่ที่จะให้ความน้มเย็นเป็นสุขการจิตใจที่มีอยู่สี่ข้อด้วยกันเป็นคุณธรรมที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่พรหมวิหารแปลว่า ที่ภาคกสัยของของพรหมพรหมนี้เป็นจิตวิ ญ, ญญาณที่ประเสรศิฐเป็นจิตวิ ญ, ญญาณที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขที่เกิดจากการมีคุณธรรมสี่ประการด้วยกันนั่นเองก็คืองเมตตาความรักที่ให้ต่อผู้อื่น<ม>เรียกว่าเมตตา ขออ้อ 2. อกรุณาความสงสารเวลาที่เห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็มีความสงสารมีความปรารถนาที่จะช่วยบรรเทาผ่อนคลายความทุกข์ยากลาบากของผู้อื่นตามกําลังที่สามารถที่จะทำได้ข้อที่สาม คือมุทิตาคือการชื่นชมยินดีต่อความสุขความเจริญต่อความสำเร็จของผู้อื่นและข้อที่สคืออุเบกขาคือการทำใจให้สงบนิ่งไม่ตอบโต้ไม่แสดงอาการอะไรต่างๆที่จะสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นได้ เลือให้กับตนเองได้ถ้ามีอุเบกขาใจนิ่งสงบใจวางเฉยได้ใจจะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่อยู่เหนือวิสัยที่จะทำอะไรได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมไปปล่อยให้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติไปเช่นเวลามีภัยพิบัติ น้ำท่วมไฟไหม้มีพายุอันนี้เป็นเรื่องเหตุสุดวิสัยที่อาจจะสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้คนได้แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้เราจะไปทุกข์ไปเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับจะเป็นโทษกับตัวเราเอง จะสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้กับตัวเราเองได้ถ้าเราไม่มีอุเบกขาถ้าเรามีอุเบกขาเราก็ต้องรู้จักทําใจเฉยๆปล่อยให้กฎของธรรมชาติรู้กฎแห่งกรรมนี้เขาทําหน้าที่ของเขาไปเรามีหน้าที่รักษาใจเราให้สงบให้เย็นไม่ให้เดือดร้อน พรามันสิ่งที่เราทำอะไรไม่ได้ถ้าช่วยไม่ได้ห้ามไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องของเขาไปนี่คืออุเบกขาธรรมะสี่ข้อที่เรียกว่าพรหมวิหารสี่เป็นคุณสคุณสมบัติของพระพรหมพระพรหมผู้ที่เรา กราบไหว้บูชากันขอพรจากเทพเจ้าเช mm hmm. ่นเวลาที่ไปที่ศาลพระภูมิที่มีเป็นของพระผมเราก็ไปกราบกันไปขอพรจากท่าน mm hmm. สิ่งที่ท่านจะให้กับเราได้ก็คือเมตตากรุณามุรตาอุเบกานี้นั่นเอง mm hmm. ว่าเป็นคุณธรรมที่เลิศที่ประเสริฐที่จะให้ความสุขความจเจริญแก่ จิตใจป่องกันความทุกข์ว้องกันความเสื่อมเสียต่างๆไม่ให้เกิดขึ้นกับจิตใจนี่คือสิ่งที่พระพรหมจะมอบให้กับเราได้เวลาที่เราไปขอพรจากพระพรหมการที่เราจะไปขอให้เราได้ราบยศสรรเสริญได้ความสุข สิ่งต่างๆในโลกนี้นั้นอันนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่พระพรหมจะมอบให้กับเราได้เพราะตัวพระพรหมเองท่านก็ไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ต้องการลาบยศกนเสริญไม่ต้องการความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆเพราะท่านเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นสิ่งที่ ไ ม, ไ, มไม่แน่นอนเป็นสิ่งที่ชั่ ว, วคราวเป็นสิ่งที่จะต้องมีการสิ้นสุดลงและเวลาสิ้นสุดลงก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าโศกเสียใจตามมาเพราะนี่เป็นกฎของธรรมชาติที่จะเป็น เหตุที่จะทําให้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มีการเจริญแล้วก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาผู้ที่ฉลาดอย่างพระพรหมจึงไม่ได้ไปแสวงหาราบยศสารเสริญสุขแต่แสวงหาสิ่งที่จะที่จะทําให้จิตใจสุขให้จิตใจเจริญได้อย่างแท้จริงก็คุณธรรมทั้งสี่ประการ คือพรหมิหารสีเมตตากรุณามมริตาอุเบกขานี่คือสิ่งที่ท่านมีว่าเป็นสิ่งที่ท่านให้กับเราได้แต่สิ่งที่ท่านไม่มีท่านจะให้กับเราได้อย่างไรว่าผมท่านไม่มีลาบยศสารเสริญสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้ไปขอกับท่านท่านก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ให้กับเรา อย่างนั้นเป็นการเข้าใจผิดที่คิดว่าเวลาเราไปขอพอรจากพระพรและเราจะร่ำรวยกันเราจะเจริญในลาบยศสารเสริญสุขกันอันนี้เป็นความเข้าใจผิดและถ้าเกิดได้สิ่งที่เราขอกันอันนั้นมันก็ไม่ได้เกิดจากพระพรเป็นผู้มอบให้กับเรามันเกิดจาก กฎแห่งกรรมที่เราได้กระทำอาไว้ถ้าเราได้ทำดีทำสิ่งที่ที่เป็นเหตุให้สิ่งที่เราอยากได้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นถ้าเราไม่ได้ทำมันมันก็ไม่เกิดขึ้นงนั้นคนที่ไปขอพรจากเทวสถานต่างๆนั้นก็มีทั้งคนที่สม หวังและคนที่ผิดหวังเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ที่เทวสถานไม่ได้อยู่พระพรหมพระเทพที่จะโดนบันดาลให้เราได้สิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้กันแต่เกิดจากกฎของกรรมกฎแห่งกรรมคือเหตุและผลคือการกระทาต่างๆที่จะทำให้เกิดมีผลต่างๆตามมา สิ่งที่เราควรที่จะให้ความสนใจและให้ความปรารถนาก็คือคุณธรรมเพราะคุณธรรมนี้เป็นสิ่งที่จะให้ผลที่ดีที่เลิศ ก, กว่าลาบยศเสริญสุขกันลาบยศเสริญสุขนอกจากจะให้ความสุขแล้วก็ยังแถมจะให้ความทุกข์กับจิตใจ เวลาที่ราบยศสารเสนสุขนี้เกิดการเสื่อมไปเกิดการหมดไปแต่การเจริญเมตตากรุณามมฎิตาอุเบกขาหรือพรหมวิหารสีน่นี้เมื่อได้เจริญแล้วจะคงอยู่กับใจเป็นเวลาอันยาวนานและถ้ามีการเสือ่อมก็สามารถมีการเจริญให้เกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ให้ความสุขที่ละเอียดให้ความสุขที่มีน้ำหนักและไม่มีความทุกข์ตามมาเหมือนกับความสุขที่ได้จากราบยศสารเสิญสุขกันดังนั้นเวลาไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี้ขอให้ขอในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์และสิ่งที่ท่านจะประทานให้กับเราได้ถ้าเราไปขอพรจากพระพร เราก็จะได้พรมวิหารสี่ได้เมตตากรุณามุริตาออเบคามาเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจสร้างความสุขสร้างความรุ่มเย็นให้แก่จิตใจการที่เราจะมีคุณธรรมทั้งสี่นี้ไม่ได้เกิดจากการที่เราสวดบทแผ่เมตตา การสวดบูตแผ่เมตตานี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการศึกษาวิธีแผ่เมตตากรณกรุณามูริตาโอเบขาว่าให้แผ่อย่างไรถ้าเรายังไม่รู้จักวิธีสร้างหรือแผ่เมตตาเราก็จะไม่สามารถแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นได้ เราจึงต้องศึกษาก่อนบทสวนบทแผ่เมตตานี้ก็เป็นเป็นเป็นเหมือนกับคู่มือที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีการเจริญการสร้างคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้สร้างเมตตาการุณามูฎิตาอุเบคาสร้างให้เกิดขึ้นในใจของเราด้วยการกระทําของเรา ถึงจะเรียกว่าเป็นการสร้างและเป็นการแผ่เมตตาไปพร้อมๆกันแต่เบื่องต้นเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนว่าการที่เราจะแผ่เมตตานี้ต้องแผ่อย่างไรการที่เราจะแผ่กรุณามุนิตาอุเบกขานี้เราต้องแผ่อย่างไรเราถึงมีบทสวดงนซึ่งเป็นบทคำสอน วิธีการสร้างและแผ่เมตตาให้แก่ผู้อื่นนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราต้องกระทําในเบื้องตน้นต้องรู้จักวิธีสร้างและแผ่เมตตาด้วยการสวดมนต์ไปเวลาที่เราสวดมนต์ไหว้พระเราก็มักจะมีบทแผ่เมตตาแต่เรากลับไปเข้าใจว่าการสวดบทแผ่เมตตานี้เป็นการให้เมตตากรุณามุมิตาอุเบกขาต่อผู้อื่น แต่ความจริงเรายังไม่ได้ให้อะไรกับใครเลยเพราะขนาดที่เราสวดก็ไม่มีใครก็มารอรับความเมตตากรุณามุดิตาอุวเบกขาจากเรา mm hmm. อเนี่ยขอให้เราเข้าใจว่าการสวดบทแผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่เมตตาไม่ได้เจริญไม่ได้สร้างเมตตาคุณธรรมมันประเสริฐให้ปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจ การที่จะให้เกิดคุณธรรมอันประเสริฐสี่ประการนี้ต้องเกิดจากการกระทาตามคำสั่งสอนที่พระเจ้าทรงสอนในบทแผ่ไม่ตาเช็นสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุสัพเพสัตตานี้แปลว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงคำว่าสัต์นี้ก็คือดวงจิตดวงใจดวงวิญญาณทั้งที่มีร่างกายและไม่มีร่างกาย มนุษย์เหล่านี้เป็นดวงจิตดวงใจที่มีร่างกายเช่นเดียวกับสัตว์เดรัจฉานนอกจากนั้นก็ยังมีดวงจิตดวงใจอดวงวิญญาณที่ไม่มีร่างกายต่างๆเช่นดวงวิญญาณดวงจิตของเปรตของมสรลกายของนรกหรือของเทพของพรหมของพระอริยบุคคลเหล่านี้ก็เรียกว่าสัตว์เหมือนกันคําว่าสัตว์นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เดรัจฉาน แต่เป็นสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในไตใจพบอยู่ในกามาพบรูปพบและอรูปพบอยู่เป็นผู้ที่ยังต้องเผชิญกับความทุกข์ต่างๆอยู่ดังนั้นการที่เราให้ความเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนี้จะเป็นการช่วยบรรเทาความทุกข์ที่ยาก เดือดรอนให้แก่ดวงจิตดวงใจของดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในใต้ภพนี้นั่นเองเช่นพวกเราตอนนี้ก็อยู่ในภพของมนุษย์และภพของเดรัจฉานเราก็จะต้องมีการเจอกันและบางครั้งเมื่อการเจอกันถ้าเราไม่ระมัดระวังเราแทนที่จะให้ความเมตตาต่อกัน เราก็กลับจะให้การอาฆาตพยาบาทต่อกันได้ถ้าเราไม่ได้เรียนรู้วิธีให้ความเมตตาว่าให้ความเมตตาต่อกันได้อย่างไรแานที่จะให้ความเมตตากับจะให้การอาฆาตพยาบาทต่อกันขึ้นมาเช่นเวลาที่เราอยู่ร่วมกันทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งกัน อาจจะเกิดทาให้เกิดความเสียหายต่อกันและกันขึ้นมาพ mm hmm. อเราได้รับความเสียหายถ้าเราไม่ได้ศึกษาวิธีแผ่เมตตาเราก็จะไม่ได้แผ่แทนที่จะแผ่เมตตาเรากลับไปแผ่ความโกรธความเกลียดความมาคาาพยาบาทเจนเวลาเกิดมีการประทะกันมีการกระทบกระทั่งกัน แล้วเกิดความเสียหายมากบ้างน้อยบ้างเรามักจะเกิดความโกรธขึ้นมาทันทีเรอผู้ที่มากระทำกับเราแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้สวดบทแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆเราจะรู้ว่าวิธีที่เราจะทำที่ถูกต้องที่เป็นการให้ความเมตตาต่ออาการนั้นต้องทำอย่างไรก็คือเนี่ยสัเพสตา ัทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเดรัจฉานส่วนใหญ่เราจะเจอแต่มนุษย์กับเดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนรวยเป็นคนจนบางทีก็ จ, จะมีการกระทบกระทั่งกันมีการกระทำที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อกันและกันถ้าไม่มีเมตตาธรรม สิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจก็คือความโกรธแค้นความเกลียดชังความอาฆาตพยาบาทและจะมีการกระทําเพื่อตอบแทนการกระทําของผู้อื่นตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะว่าเราเราก็ว่ากลับไปเขาทุบตีเราเราก็ทุบตีกลับไปเดี๋ยวก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมา แต่ถ้าเรามีการสวดบทแผ่เมตตาและรู้ความหมายของบทแผ่เมตตาว่าสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุเนี่ยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่ามีเวรกันอย่าจองเวรจองกรรมกันให้อภัยกันไม่ถือโทษโกรธเคืองกันเพราะว่าถ้ามีการโกรธเคืองกันมีการอาฆาตพยาบาท มันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจและจำเป็นจะต้องระบายความทุกข์นั้นด้วยการกระทำทางกายทางวาจาที่เสียหายต่อไปนั่นเอง<ม>พอใครก็ทำอะไรไม่ดีแล้วก็อาจจะว่าเขาเลย<ม>หรือถ้ามากกว่านั้นก็อาจจะทำร้ายทุ์ตีเขาเลย<ม>แต่ถ้าเรามีการสวดบทแผ่เมตตาและมีความเข้าใจว่าอาเวลาโหนตุนี้แปลว่าอะไร แต่ว่าเราต้องไม่จองเวงด้วยการกระทําทางกายทางวาจาด้วยการกล่าวร้ายหรือพูดร้ายทำร้ายพูดถึงแม้ว่าเขาจะทําอะไรให้เกิดความเสียหายพอให้เราคิดว่าความเสียหายนี่มันก็เกิดขึ้นไปแล้วเสียเสียของแล้วอย่าไปเสียใจเสียอย่างเดียว เ, ยเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้บางครั้งมันเป็นบางทีก็เป็นอุบัติเหตุบางครั้งก็เป็นเหตุสุดวิสัย หรือบางครั้งอาจจะเป็นเหตุจูงใจก็ได้สุดแท้แต่แต่เมื่อมีการกระทาไปแล้วมันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเราก็ไปลบมันไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วสร้างความเสียหายทางด้านทรัพย์สินหรือทางด้านร่างกายแล้วก็ขอให้มันเสียหายแค่เพียงเท่านั้นก็พออย่าให้มันมาสร้างความเสียใจให้กับเรา ความเสียใจหรือความทุกข์ใจนี้เกิดจากความไม่พอใจเกิดจากความโกรธในการกระทําของเขาอันนี้เราป้องกันได้อย่าเสียสองเด้งเสียเด่งเดียวก็พอเสียหายไปแล้วเสียทรัพย์สินไปแล้วหรือเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปแล้วแล้วมันก็ผ่านไปแล้วไปลบล้างมันไม่ได้ไปถอยกลับไปไปลบมันไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้ มันเกิดขึ้นไปแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดไปถือว่าเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันในโลกนี้จะต้องมีการเจ็บเนื้อจับเจ็บตัวบ้างจะต้องมีการสูญเสียทรัพย์สินบ้างเพราะเราอยู่ในโลกของอนิจจ์ทุกขังอนัตตานี่เเป็นกฎของธรรมชาติเป็นกฎของสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ ว่าจะต้องมีการเจริญบ้างมีการเสื่อมบ้างเป็นธรรมดาถ้าเราเข้าใจหลักนี้แล้วเราก็จะระ ง, งับความเสียใจได้แล้วเราก็จะระ ง, งับความโกรธแค้นได้โกรธเคืองได้แล้วแทนที่เราจะไปพูดไม่ดีทําไม่ดีเราก็กลับพูดดีทําดีได้ด้วยการพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ เรื่องมันก็จบไม่มีปัญหาตามมาให้ยาวเหยียดแต่ถ้าเราตอบโต้ด้วยการพูดด้วยการกระทําที่ไม่ดี<ม>เขาทําไม่ดีเราก็ไปด่าเขาไปว่าเขาเขาไม่พอใจเขาด่ากลับมาเราไม่พอใจเราก็ไปตีเขาเอีกทำไปทามาเดี๋ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาบางทีถึงกับการฆ่าฆ่ากันตาย ก็ต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลไปติดคุกติดตารางกันอีกไม่คุกถ้าไม่มีเมตตามันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามีเมตตามันจะทุกอย่างจะยุติลงสงบลงซึ่งก็เคยมีตัวอย่างในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ยังสนพรชชนชีอยู่ มีเหตุการณ์เรื่องของการเผาสถานทูตไทยในกรุงกรัรมพูชาเนี่ยก็เลยสร้างความโกรธแค้นขึ้นมาให้กับคนไทยบางคนหักห้ามจิตใจไม่ได้ปลุกระดมให้ไปช่วยกันเผาสถานทูตของกรัรมพูชาในกรุงเทพในประเทศไทยแต่พอในหลวงท่านทราบข่าวเข้า ท่านก็ต้องออกมาเตือนสติให้กับผู้ที่กาลังขาดความเมตตาตอนนี้เขาทำร้ายของของเราเป็นการกระทำไม่ดีของเขาเขาไม่ดีตอนนี้เรายังดีอยู่เราไม่ได้ ก, กระทาแบบเขาแต่ถ้าเราไปตอบโต้เขาด้วยการกระทำแบบที่เขาทำอยู่เราก็ไม่ต่างจากเขาตอนนี้เราดีเราต้องรักษาความดีไว้ อย่าไปเอาเยี่ยงอย่างของการกระทำไม่ดีของเขาเพราะเราไปทำตามแบบเขาเราก็ลดฐานะของเราจากคนดีการเป็นคนไม่ดีไปเรื่องราวก็เลยสงบอันนี้แหละเป็นคุณธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพรวิหารสีอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะว่าพระองค์นี้ทรงมีความสนใจ ที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐอยู่เรื่อยๆทรงเข้าหาพระอริยบุคคลต่างๆเวลาที่เสด็จไปที่ไหนถ้าทราบว่ามีพระอริยบุคคลอยู่แถวนั้นมักจะหาเวลาไปกราบไปสนทนาธรรมกันแม้กระทั่งเวลาที่อยู่ในกรุงเทพ อยู่ก็ทรงเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อไปศึกษาจากพระที่พระองค์เคยรู้จักในขณะที่ทรงพระหนวดอยู่และก็ได้สนทนาธรรมได้ศึกษาธรรมเกี่ยวกับคําสั่งคําสอนต่างๆรวมทัง้ ง, งเรื่องของการแผ่เมตตาเรื่องของการเจริญพรวิหารสพระองค์จะมีสติมีธรรมอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆ การกระทาของพระ อ, องค์นี้ไม่เคยแสดงอาการโกรธแค้นโกรธเคืองใครมีแต่ความเมตตากรุณาต่อผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องตลอดเวลาอย่ยง น, นี้ถ้าไม่มีพระ อ, องค์แล้วก็อาจจะมีปัญหารามตามต่อไปได้ถ้าเราไปเผาสถานทูดเขาเดี๋ยวทางนั้นเขาก็ไม่พอใจ เดี๋ยวเขาก็ไปทําอะไรไปเผาที่อื่นอีกไปทำร้ายคนไทยที่อยู่ในประเทศเขาอีกพร้อพอก็ไปทําร้ายคนที่อยู่ในประเทศเขาคนไทยที่อยู่ในประเทศเขาคนไทยในประเทศเราก็จะไปทำร้ายคนเขมรที่อยู่ในประเทศเราอีกทั้งทั้งที่เขาไม่รู้วีหน่อีเน่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําของคนกลุ่มหนึ่งเรื่องมันก็จะบานปลายไปเดี๋ยวดีไม่ไดก้ก็การเป็นการประกาศสงครามต่อ ก, กันละกัน อันนี้แหละเกิดจากเรื่องนิ ด, นดหน่อยเกิดจากการขวับความเมตตาที่เราเรียกว่าปัญหาน้ำพึ่งหยดเดียวที่ทำให้เกิดสงครามขึ้นมาได้เกิดการทำร้ายล้างกันขึ้นมาได้เพราะขาดความเมตตาไม่รู้จาการะงับความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทไม่รู้ว่ามันเป็นภัยอันตรายต่อการอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขของสังคม สังคมเราจึงจาเป็นที่จะต้องมีความเมตตาต่อกันอย่างที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเมตตาคำจุนโลกโลกเราจะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเพราะเรามีความเมตตาต่อกันถ้าเราขาดความเมตตาไปดูประเทศที่เขามีสงครามกลางเมืองกันอยู่กันอย่างไม่มีความสุขรือมีสงครามระหว่างประเทศกัน พะขาดความเมตตาเพราะมีแต่ความโลภความต้องการผลประโยชน์จึงมีการแก่งแย่งชิงดีกันแล้วเป็นยังไงคนตายกันนับเท่าไหร่แล้วสงครามที่มีอยู่ในในปัจจุบันนี้มีอยู่หลายประเทศด้วยกันมีอยู่แทบทุกทวีปประเทศที่เราคิดว่าเขาเจริญกว่าเราแต่เขากลับมีการกระทำที่ที่เสื่อมที่ต่ากว่าเรา เพราะเขาขาดคุณธรรมที่จะเป็นผู้ที่ชี้ว่าจิตใจนั้นสูงหรือต่ำอยู่ที่การมีคุณธรรมหรือไม่ <lectures> ถ้าไม่มีคุณธรรม <c oughs> เช่นความเมตตานี้ <c oughs> จิตใจก็จะลงต่ำในสู่ระดับของสัตว์เดรัจฉานได้สัตว์เดรัจฉานนี่เขาไม่ค่อยมีความเมตตาต่อกัน <c oughs> เพราะเขาจะต้องคอยแข่งแย่งชิงดีกัน รักษาผลประโยชน์ป้องกันภัยต่างๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาคิดว่าสัตว์ตัวไหนเป็นภัยต่อเขานี่เขาจะเข้าไปต่อสู้ทันทีอย่างสุนัขในวัเนี่ยมันมีเขตของมันเนี่ยถ้าสุนัขตัวอื่นนองเข้ามาในเขตของมันเนี่ยมันจะออกไปไล่กัดทันทีเลยมันไม่มีเมตตามันมีแต่ความคิดว่าจะทำยังไง ให้รักษาผลประโยชน์ความสุขของมันเท่านั้นเองอันนี้เป็นระดับของสัตว์เดรัจฉานแต่มนุษย์เหล่านี้ถือว่าเป็นสัตว์ที่ประเสริฐกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะมนุษย์เหล่านี้มีสติปัญญาหรือมีผู้ที่มีสติปัญญาสอนให้พวกเรารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกรู้ว่าวิธีที่จะทำให้เราอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขนี้อยู่แบบไหน ไม่ได้อยู่แบบสัตว์เดรัจฉานถ้าอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานนี้ทุกคนจะต้องพกอาวุธต้องคอยมียามีอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะมีแบบนี้ขึ้นมาในสังคมแล้วะต้องมีรอปภมีกล้องอวงจรปิดไว้คอยถ่ายดูแสดงว่ามีผู้ที่ไม่ป่าถนาดีมีผู้ที่จิตใจอ ย, อยู่ในระดับของสัตว์เดรัจฉาน ถ้าจิตใจของมนุษย์นี้จะไม่เบียดเบียนกันถ้าจิตใจของมนุษย์ที่มีความเมตตาต่อกันนี้จะไม่เบียดเบียนกันอันนี้ก็เป็นคุณธรรมข้อที่คุณสมบัติอันที่สองของความมีเมตตาสัเพสัตตาอปยาปชาหุนตุอันนี้ก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอย่าเบียดเบียนกันอย่าไปสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้ต่ากันละกัน เนไปลักทรัพย์ของคนอื่นเขาไปย่องเบาตอนกลคืนหรือเวลาเขาไม่อยู่ไปเข้าบ้านเขาแล้วก็ไปลักทรัพย์ของเขาหรือถ้าเกิดความโกรธแค้นโกรธเคืองก็อาจจะไปเผาบ้านเขาอย่างนี้อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการเบียดเบียนกันอย่าไปทำอะไรที่จะทำให้ความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะเขาก็จะต้องคิดป้องกันตัวเขา แล้วเขาก็อาจจะมาเบียดเบียนเราเพื่อกำจัดเราเมื่อเขารู้ว่าเราเป็นผู้ที่จะมาสร้างความเสียหายให้กับเรามีวงจรปิดเห็นเรามาทำไม่ดีเขาก็ไปแจ้งความได้ให้ตำรวจไปจับเราถ้าเราไม่ไปทำอะไรเสียหายไปเบียดเบียนผู้อื่นก็ไม่มีใครเขาจะมาจับเราไปลงโทษดังนั้นข้อที่สองของการมีเมตตาก็คืออย่าเบียดเบียนกัน ทำอะไรให้คำนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อื่นว่าเราทําไปแล้วนี่จะทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนก็อยา่าทําถึงแม้ไม่ผิดกฎหมายถึงแม้จะไม่ผิดศีลธรรมแต่มันก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นได้เช่นเราจัดงานวันเกิดแล้วก็ส่งเสียงดังเปิดเครื่องเสียงดังหรือกระทึกคึกโคม ทำให้ผู้ที่เขาอยู่ข้างบ้านนี้นอนไม่หลับบางทีเขาต้องรีบตื่นไปทำงานตอนเช้าหรือเด็กต้องเรียนหนังสือดูหนังสือเพื่อสอบก็ไม่มีสมาธิที่จะทําหน้าที่ของเขาได้เพราะการฉลองฉลองอะไรของเราวันเกิดของเราหรือวันแต่งงานของเราหรืองานบวชของเราอะไรทำนองนี้แล้วก็ไปสร้างความเสียหายหเดือดร้อนให้แก่ผู้ ถึงแม้จะไม่ได้เดือดร้อนทางทรัพย์สินก็ตามแต่ก็มันเดือดร้อนเรื่องของความสงบไปทำลายความสงบสุขของเขาอันนี้ก็เรียกว่าการเบียดเบียนกันถ้าเราจะมีความเมตตาถ้าเราต้องการแผ่เมตตาเวลาเราจะทำอะไรนี้เราต้องคิดถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้อย่าไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนข้อสามของการมีความเมตตาก็คือ อา น, นิฆาโหนตุแต่ว่าอย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นเช่นเวลาโกรธก็อย่าไปทุบตีเขาหรือจะทำอะไรแล้วไปทำให้เกิดความเสียหายทางร่างกายเขาอาจจะไม่มีเจตนาก็าตามเช่นขับเมาแล้วขับอย่างนี้ก็เป็นเป็นการไปสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นได้ทั้งทั้งทา ง, ทงด้านร่างกายและจิตใจ เวลามาแล้วขัดก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้แล้วก็ทำให้ผู้เสียหายเจ็บทั้งร่างกายและเจ็บทั้งจิตใจจิตใ จ, จก็อาจจะเกิดมีความหวาดผวาหวาดกลัวต่อการเวลาเดินทางว่าจะต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกหรือไม่ถ้ารอดมาจากคราวนี้แล้วจิตใจจะไม่ค่อยเป็นปกติสุข อย่ น, นี้ก็ต้องระมัดระวังอย่าไปทําร้ายร่างกายและทําร้ายจิตใจของผู้อื่นด้วยการพูดด้วยการกระทาของเราโดยเฉพาะเวลาที่เราโกรธหรือเวลาที่เราขาดสติ mm hmm. ท่านถึงพยายามสอนให้พวกเราละเว้นจากการเสพสิ่งมึนเมาต่างๆเช่นในสมัยก่อนก็มีแค่สุรายาเมาแต่สมัยนี้ก็มียาเสพติดต่างๆ ที่ทำให้เสพแล้วขาดสติกลายเป็นคนบ้าไปได้เขาทั้งเรียกยาพวกนี้ก็ยาบ้าเสพแล้วทำให้เป็นคนบ้าคลั่งไปสร้างความวิตกหวาดกลัวให้กับผู้อื่นอันนี้เพราะขาดความเมตตาถ้าเราต้องการมีความเมตตาเราต้องอย่าเสพยามึนเมาต่างๆของมึนเมาต่างๆพอเสพแล้วมันจะขาดสติ อย่ากลายเป็นคนบ้าคนเขาขาดสติก็คือคนบ้าหนึ่งคนเสียสติเนื่อเราต้องพยายามรักษาสติของเราไว้ให้มั่นคงให้มีอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำอะไรที่จะทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือไม่ถ้ามีสติเราก็จะรู้ แล้ถ้าคิดว่ามันจะเกิดความเสียหายเราก็จะได้รีบแก้ไขเสียถ้าขับรถเร็วเกินไปด้วยความประมาทก็ชะลอลงอย่าไปรีบร้อนคิดถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นตามมาทาให้ผู้อื่นเขาต้องเจ็บต้องเข้าโรงพยาบาล น, นี้ถ้าเราต้องเป็นเขาเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวนี่เราก็ต้องหยุดงานหยุดการขาดรายได้มีผลกระทบต่อทางด้านจิตใจ เอกมากตามมาด้วยให้เราคิดบ้างอย่าคิดเอาแต่ความสุขเอาแต่ประโยชน์ของเราเพียงอย่างเดียวต้องคิดเสมอว่าเวลาที่เราจะหาความสุขหาผลประโยชน์ให้กับเรานี้มันไปกระทบกับผู้อื่นอย่างไรบ้างหรือไม่ไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนหรือเปล่าไปทำให้เขาเสียเจ็บร่างกายเจ็บเจ็บทางจิตใจหรือไม่นี่คือความหมายของการมีความเมตตาข้อที่สามเนี่ย อนิคาโหตุข้อที่สี่ก็คือสุขีอัตานังปริหะรันตุคือการให้ความสุขกับผู้สัตย์สัตตาขอให้สุขขอให้มีแต่ความสุขวิธีจะมีให้มีความสุขก็เราก็ต้องมอบความสุขให้กับเขาเราเราสุขด้วยวิธีไหนเราก็ให้วิธีนั้นกับเขาถ้าเราสุขเพราะเราได้รับสิ่งของที่เราชอบ เวลาใครเขาให้ของที่เราชอบมาเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเั้นถ้าเราอยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขเราก็ให้สิ่งของที่เขาชอบบ้างถ้าเราอยากจะมีความเมตตาถ้าเราอยากจะแผ่เมตตานี่คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแผ่เมตตาแล้วการแผ่เมตตาด้วยการมีความเมตตานี้ จะมีผลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปเรียกร้องผลตอบแทนจากใครเวลาเราทำประโยชน์อะไรให้กับใครเราไม่ต้องไปให้เขาขอบคุณเราให้เขาให้รางวัลเราอะไรต่างๆอันนี้ไม่จำเป็นของต่างๆที่ก็จะให้เรากับของที่เราจะได้รับโดยอัตโนมัตินี่ต่างกันเหมือนฟ้ากับดินพระพุทธเจ้าบอกผู้ที่มีความเมตตานี้ จะมีอนิสงส์มีผลประโยชน์สิประการด้วยกันแต่วันนี้คงจะจำไม่ได้ทั้งสิบจะก็ขอพูดในบางข้อที่จำได้ก็คือถ้ามีความเมตตาแล้วจะอยู่เป็นสุขหลับก็สุขตื่นก็สุขนี่นี่เป็นผลที่จะเกิดจากการมีความเมตตาเพราะเราจะไม่คิดร้ายกับใครเราจะมีแต่ความหวังดีคิดดีต่อผู้อื่น อยากให้เขามีความสุขอย่างไม่ให้เขาเดือดร้อนจากการกระทาของเราการกระทาของเราก็จะระมัดระวังไม่สร้างความเสียหายหเดือดร้อนเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกับการกระทาที่ทำให้เกิดความเสียหายเราก็จะอยู่เป็นสุขตื่นก็สุขหลับก็สุขข้อที่สองนอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายเพราะเวลาเราตื่นเราทาแต่สิ่งที่ดี พอเราหลับสิ่งที่ดีที่เราทำอยู่มันก็จะมาปรากฏขึ้นในฝันเรานี่ความฝันนี้ส่วนใหญ่เป็นเป็นผลที่เกิดจากการกระทำดีหรือไม่ดีของเรามันใจเรานี้เป็นเหมือนเครื่องบันทึกเครื่องบันทึกภาพเครื่องบันทึกเสียงและเวลาตอนที่เรานอนหลับนี้เครื่องบันทึกภาพบันทึกเสียงมันจะทำงานถ้าเรามันทึกภาพและเสียงที่ดีมันก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นความฝันที่ดี ถ้าเราไปบันทึกภาพที่ไม่ดีเสียงไม่ดีเวลานอนหลับมันก็จะโผล่ขึ้นมาเราจึงมีทั้งเวลานอนหลับบางทีเราก็ฝันดีบางทีเราก็ฝันร้ายถ้าเรายังมีทั้งสองแบบก็แสดงว่าตอนที่เราตื่นนี้เราทำทั้งสองแบบเราเคยทำทั้งดีและเราเคยทำทั้งสิ่งที่ไม่ดี มันมันเลยฝังอยู่ในใจบันทึกอยู่ในใจของเราพอเราตื่นขึ้นมาเวลาเรานอนหลับมันก็จะทํางานเครื่องบันทึกเสียงันบันทึกภาพมันก็จะทํางานเป็นรูปแบบของความฝันไปฝันดีก็แสดงว่าเกิดจากการทําความดีเกิดจากการมีความเมตตาของเรานั่นเองเราก็จะฝันดีฝันร้ายก็เกิดจากความขาดความเมตตา อากาศจะเกิดเกิดจากความโกรธความเกลียดความชางังเกิดจากความโลภความอยากต่างๆอันนี้เป็นอนิสงส์ข้อที่สองจากของผู้ที่มีความเมตตานอนหลับจะฝันดีข้อที่สามก็คือจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนที่มีความเมตตาทำแต่ความดีทำแต่คุณทำแต่ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นนี้ แต่ไม่มีใครเกลียดชังยกตัวอย่างในหลวงราชการที่9ก้านี่เนหะ็นมมีใครเกลียดชังท่านไม่มีใครเกลียดชังมีก็พวกมีบ้างพวกที่หูหนวกตาบอดพวกที่ไม่รู้ว่าท่านเป็นคนแบบไหนทำคุณทำประโยชน์อย่างไรให้กับประเทศชาติเป็นพวกที่อาจจะมีความอิดฉาริษยาเห็นท่านมีบารมีเห็นท่านมีค ว, ความสุขความเจริญก็อิดฉาริษยาไปเท่า น, นั้นเอง แต่ถ้าเรามองด้วยความยุติธรรมมองด้วยความเที่ยงธรรมมองด้วยความจริงเราจะเห็นว่าท่านนี้ทําคุณทําประโยชน์ตลอดเวลาตั้งแต่ท่านครองราชนาะถ์คิดถึงแต่ความสุขของประชาชนคิดถึงความเดือดร้อนของประชาชนอยู่ตลอดเวลายังมีปรากฏโครงการาต่างๆมากมายขึ้นมาเพื่อเป็นการบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยท่านถึงเป็นคนที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลายแล้วก็ข้อสี่ก็เทวดาจะคุ้มครองรักษาเชื่อไหมว่าเราถ้าเราทำความดีเทวดาเขาอยากจะมารักษาคุ้มครองเราเพราะคนที่เป็นคนดีคนที่มีความเมตตานี้ไม่ไปทั้งความเสียหายเดือดร้อนให้กับใครแต่สร้างความสุขสร้างความน่มเย็นเป็นสุขให้แก่ผู้ mm hmm. เทวดาเขาก็ชอบความน่มเย็นเป็นสุขเหมือนกัน เห็นใครทำความดีเขาก็อยากจะมาคุ้มครองรักษา น, นี้คือการการที่เรามีความเมตตาเนี่ยเราจะมีเทวดาคุ้มครองแควคาดปลอดภัยอย่างที่มีคำพูดว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนคนดีคนที่มีความเมตตาจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปจ้างรอปอพ อ, อมาให้เสียเงินเสียทองจ้างรอปอพอบางทีก็คุ้มกันไม่ได้ เาประพอบางทีก็หลับได้บางทีก็เผอได้แต่เทวานี่เขาไม่เผอเขาไม่หลับเขาคอยคุ้มครองเราเขาจะรู้อยู่ทุกระยะของการเคลื่อนไหวของเรานี่ก็คืออ น, นิสงส์อีกอย่างคือจะเป็นเทวาทั้งหลายจะคุ้มครองรักษาข้อต่อมาก็คือจะทําให้จิตใจสงบง่ายเวลาที่เราต้องการจะฝึกสมาธิทําใจให้สงบนี่ ใจจะไม่มีนิวรณเช่นความโกรธความเกลียดความอาฆาตพยาบาทบางทีคนจะนั่งสมาธินี้ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้ไม่สบายใจไม่พอใจก็นั่งสมาธิไม่ได้เพราะคิดแล้วมันทําให้อโกรธอาฆาตเครียดแค้นขึ้นมาแต่คนที่มีความเมตตามี้จะไม่มีเรื่องอาฆาตพยาบาทกับใครในเวลาที่จะนั่งสมาธินี้ก็จะสงบได้ง่ายแล้วก็ มีหลายข้อแต่เท่าที่จำได้ก็ยังมีอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปใจก็จะไปสู่สุคติผู้ที่มีเมตตานี้ใจอยู่ในระดับของเทเพของพรหมตายไปก็ได้ไปเป็นเทเเป็นพรหมหรือถ้าสูงกว่า น, นั้นก็ได้ไปเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆหรือไปถึงขั้นพระนิพพานอย่างพระพุทธเจ้าและพระหงังตัสสาวกทั้งหลายท่านเหล่านี้ก็จเจริญ พรมวิหารสีด้วยกันทุกคนนี่คือประโยชน์ที่เราพึงจะได้รับจากการที่เราแผ่เมตตาจเจริญเมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำไม่ได้แผ่ด้วยการสวดการสวดก็จำเป็นการสวดเพื่อเรียนรู้เพื่อเตือนใจสอนใจให้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์เวลาเกิดการกระทบกระทั่งกันเราก็ต้องให้อภัยกันไม่ถือโทษกอดเครงกัน เวลาเราจะทําอะไรก็ต้องระมัดระวังไม่ไม่ไปสร้างความเสียหายให้เดือดร้อนกับผู้อื่นเวลาที่เรามีอารมณ์แล้วหรือเราจะพูดอะไรจะทำอะไรก็อย่าไปทําให้ผู้อื่นเขาเจ็บกายหรือเจ็บใจแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือเรามีความสุขเราอยากใช้คนอื่นเขามีความสุขเหมือนเราเราก็แบ่งปันความสุขอย่างเช่นเรามีเงินมีทองเหลือใช้ เห็นคนที่เขาเดือดร้อนขาดแคนเงินทองมีเงินน้อยกว่าเราเราก็แบ่งให้เขาใช้บ้างเขาจะได้มีความสุขแบบเราบ้างอันนี้ก็เป็นวิธีการของการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทาไม่ได้แผ่ด้วยการสวยญาติโยมส่วนใหญ่ที่เข้าวัดกันคิดว่ า, าไหว้พระสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิก็สวดบทแผ่เมตตาแล้ว เราจะเมตตานี้จะกระจายไปทั่วสรรพสัตว์ทั้งโลกให้สรรพสัตว์ทั้งไต่พบได้รับกันไม่มีใครเขาได้รับแม้แต่ตั ว, ตวเดียวคนเดียวเพราะเขาไม่มานั่งมารอรับการสวดหรอกเพราะมันการสวดมันไม่ได้มีไม่มีผลในก่อเขาเขามารอรับเวลาที่เราบริจาคทานนี้เขามารอรับทานของเราแล้ว เ, เขารอรับความเมตตาสงส า, ารเมตตาเวลาที่เขาทําอะไรเสียหายก็อย่าไป อาฆาตพยาบามอย่าไปแจ้งความจับเขาเขา้าคุกเขา้เขาตารางอะไรไปอย่างนั้นก็ให้อภัยเขาไปานี่คือเรื่องของความเมตตาหนึ่งในสข้อที่สองก็คือการุณาการุณาแปลว่าความสงสารคือไม่ใจใจไม่จืดใจดำเวลาเห็นคนหนึ่งใครเขาทุกข์ยากเดือดร้อนก็ไม่ไม่เมินเฉยมีความสงสารคิดถึงตัวเขาคิดถึงตัวเรา ถ้าเวลาเราเดือดร้อนขึ้นมาเราจะคิดยังไงถ้ามีคนมาช่วยเหลือเราเราก็จะรู้สึกมีความสุขอันนี้ในเวลาเห็นใครเขาเดือดร้อนเราช่วยเหลือเขาได้ช่วยชีวิตเขาได้เรารีบช่วยเขาเถิดเพราะว่ามันจะทำให้เรามีความสุขเพราะเวลาที่เราคิดกลับมาว่าโอ้ยถ้าเราเป็นเขาแล้วเขาได้รับการช่วยเหลือแบบที่เราให้เขาเราช่วยเหลือเขานี่เราจะรู้สึกยางไง แล้วเราก็จะไม่รู้ว่าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเราทําอะไรไว้ผลมันจะกลับมาหาเราถ้าเรามีความสงสารเราช่วยเหลือผู้อื่นเวลาที่เราตกยากตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคนอื่นเขาสงสารมีคนอื่นเขาจะมาช่วยเหลือเราเพรนเวลาที่เราเห็นใครเขาเดือดร้อนเช่นน้ําท่วมอนนี้ช่วยกันระดมการส่งสเสบียงไปตามสถานที่ที่ เข้าเข้าถึงปัจจัยสี่ได้ยากเอาของอเอาเสบียงต่างๆของของใช้จำเป็นไปแจกไปจ่าย ก, กันอันนี้ก็เรียกว่าความสงสารเรียกว่าความกรุณาความสงสารที่อยากที่จะแบ่งปันบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้อื่นด้วยการเสียสละแบ่งปันของเราไปเราเสียสละเล็กน้อยเราไม่ไม่เดือดร้อน เท่ากับความเดือดร้อนที่เขาเราไปช่วยแบ่งปันให้กับเขาได้อนี่ก็คือห้ามสงสารอย่าดูดายอย่าใจแคบอย่ า, อ ย, าอย่าใจจืดเวลาเห็นใครเขาเดือดร้อนให้คิดถึงว่าถ้าเราเป็นเขาบ้างจะรู้สึกอย่างไรเ่นถ้าเราช่วยเหลือใครได้ช่วยเหลือไปเถิดแต่ก็ต้องมีขอบมีเขตมีเหตุผลช่วยเหลือเขาเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้ อย่าไปช่วยเหลือเขาจนกระทั่งเขาช่วยตัวเองไม่ได้ต้องมาขอความช่วยเหลือกับเราตลอดเวลาอย่างที่มีสุภาษิตของจีนเ็าบอกว่าอย่าให้ปลาเขาไปอย่างเดียวให้ปลาเขาไปแล้วก็สอนให้เขาวิธีตกปลาด้วยสอนให้เขารู้จักวิธีตกปลาหาปลากินเองพอเขาตกปลาได้หาปลากินเองได้ต่อไปเขาก็ไม่ต้องมาขอปลาเรากินแต่ถ้าเราให้แต่ปลาเขาไปแล้วไม่สอนวิธีหาปลาให้เขา พอปลาหมดเขาก็จะต้องกลับมาขอปลาใหม่จากเร า, าเวลาที่เราช่วยเหลือใครก็เป็นแบบเดียวกันอย่าให้เงินเฉยๆถ้าสามารถบอกวิธีหาเงินให้เขาได้ก็บอกเขาไปอย่าให้ให้อย่าอย่าช่วยจนยกระทั่งเขาต้ อ, าองมาพึ่งเราตลอดเวลาช่วยตอนที่เขาพึ่งตัวเองไม่ได้ทนบางทีเขาตกอับไม่มี อาหารไม่มีเครื่องใช้จำเป็นเราก็ให้เขาไปเพื่อให้เขาได้ฟื้นตัวขึ้นมาพอเขายืนบนลาแข้งของเขาได้แล้วเขาไปทามากินของเขาได้แล้วเราก็ต้องหยุดเราก็ต้องบอกเขาว่าถึงเวลาที่จะต้องช่วยตัวเองแล้วอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าช่วยให้เขาช่วยให้เขาช่วยตัวเองไม่ได้ก็แทนที่จะเป็นประโยชน์กับเขากับเป็นโทษกับเขาทาให้เขาต้องไปพึ่งคนอื่นตลอดเวลา แล้วถ้าเขาขาดที่พึ่งขึ้นมาเขาก็จะลําบากนี่คือความการุณาคือความสงสารช่วยเหลือกันคนเราอยู่ในโลกนี้ผัดกันสุขผัดกันทุกข์ไม่สุขไปตลอดไม่ทุกข์กันไปตลอดแต่ถ้าคนสุขมาช่วยคนทุกข์เวลาคนทุกข์สุขคนสุขคนทุกข์ที่เป็นสุขก็จะกลับมาช่วยคนสุขที่เป็นทุกข์ได้ ขอให้เราเพราะจะมีมันจะเป็นเหมือนกระแสคลื่นที่มันจะส่งกําลังใจให้ต่อกันและกันเวลาที่เราทุกมีคนอื่นเข้ามาช่วยเหลือเราเวลาที่เราสุขแล้วเราเห็นคนอื่นทุกเราก็จะมีกําลังใจอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นมันก็จะทําให้สังคมเราอยู่กันอย่างมีความสุขเนี่ยข้อที่สามก็คือการมีมุติตาเนี่ยมุติตาก็คือการมีความ ยินดีกับความสำเร็จกับความเจริญของผู้อื่นเวลาคนอื่นเขาได้ดีได้ดีได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้เงินเดือนเพิ่มหรืออะไรต่างๆถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคู่แข่งของเราแต่เราก็อยากจะได้เหมือนกันแต่เขาได้ก่อนเขาได้ตำแหน่งนี้เราก็อยากจะได้ตำแหน่งนี้แต่เขาได้ไปเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าเขาอาจจะเป็นเวลาของเขาที่เขาได้รับตอนนี้ยังไม่ได้เป็นเวลาของเรา เราอย่าไปโกรธอย่าไปอิจฉาอย่าไปน้อยใจไม่ดีมันทำให้เราเสียใจไปเปล่าๆทุกข์ใจไปเปล่าๆแต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนได้ดีบได้ดีเราก็ต้องดีใจไปกับเขาอย่างนี้เราก็จะมีความสุขกับความสำเร็จกับความเจริญของผู้อื่นแทนที่จะมาเสียใจแทนที่จะมาอิจฉาริษยาเราก็กลับมีความสุขกับผู้อื่นได้กับความเจริญของผู้อืนนอออ่นได้ อันนี้ก็เป็นวิธีสร้างความสุขสางวิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องไปมีปัญหากับผู้อื่นถ้าเราไม่ยินดีเราอิจฉาเขาบางทีเราก็อาจจะพยายามกลั่นแกล้งเขาอาจจะหาวิธีน้มน้างเขาอาจจะหาเรื่องใส่ความเขาส่งแจ้งความไปหรือทำทำหนังสือบัตรสนเทศอะไรต่างๆถึงเรื่องความไม่ดีของเขาเพื่อที่จะมาทําร้ายล้างเขา อันนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรหรอกมันทําใหม้มีความวุ่นวายไปเปล่าๆสร้างให้ทําให้เกิดเป็นศัตรูกันขึ้นมาอันนี้ก็คือมุติตานะ่างเวลาใครเขาดีเขาเจริญเขามีความสําเร็จก็สแสดงความยินดีเช่นเวลาแข่งกีฬานี้การแพ้ชนะนี้ไม่สําคัญนะการรู้แพ้รู้ชนะนี่เป็นสิ่งที่เรามีการเล่นกีฬากัน เพื่อเป็นการฝึกการเจริญมุติตาเนี่เพราะเวลาการแข่งกีฬาก็ต้องมีการแพ้มีการชนะเราก็ต้องเป็นผู้แพ้ที่ดีผู้แพ้ที่ดีก็ต้องแสดงความยินดีต่อการชนะของผู้อื่นมันเป็นการฝึกเป็นการฝึกการเจริญมุติตาเนี่เพราะในชีวิตจริงของเราเราก็อาจจะมีคู่แข่งขันกันคู่แข่งขันเขาของเราอาจจะชนะเราอาจจะดีกว่าเรา ถ้าเราไม่มีมุติตาเราก็จะทุกข์ทุกครั้งที่เขาดีกว่าเราแต่ถ้าเรามีมุติตาเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะยินดีไปกับความสำเร็จยินดีไปกับความเจริญของเขาแล้วเราอาจจะเอาแบบตัวอย่างของเขามาเป็นเป็นกรณีศึกษาก็ได้ว่าเขาทำทำอย่างไรเขาถึงสำเร็จเราก็ถ้าเราอยากจะสำเร็จเหมือนเขาเราก็ต้องเอาวิธีที่เขาทำอย่างนี้เป็นต้นนี่คือวิธีการอยู่กันอย่างมีความสุข ไม่แก่งแย่งชิงดีกันไม่ถึงกับที่จะมาคอยอล้มล้างกันขัดขวางกันปล่อยทุกคนทำอะไรไปตามความสามารถของเขาใครทำดีเขาก็ได้ดีของเขานะ่ใครทำไม่ดีแล้วดีไม่เท่าเขาก็จะสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องมาปรับปรุงตัวเราเองไม่ใช่ไปขัดขวางเขาถ้าเราคิดว่า เ, ออเราสู้เขาไม่ได้ก็แสดงว่าเราขาดคุณสมบัติเราก็ต้องมาเติมคุณสมบัติในตัวเรา พอเรามีคุณสมบัติครบดีกว่าเขาเราก็จะได้ดีกว่าเขาเองอ น, นี่นี่คือข้อที่สามุนิตาข้อที่4ี่ก็คือการมีอุเบกขาอุเบกขาก็คือการต้องรู้จักวางใจทําใจให้เฉยเฉยในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถทําอะไรได้ถึงแม้เราจะสงสารเขาแต่เราช่วยอะไรเขาไม่ได้ถ้าเรามีความไม่สบายใจเสียใจก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร เป็เวลาที่เขาเดือดร้อนแล้วเราไม่สามารถช่วยเขาได้อย่างนี้เราก็ต้องทำใจถ้าเราเสียใจแนละ้วกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็การสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราโดยใช่เหตุเราต้องรักษาใจของเราด้วยไม่ใช่ไปคอยช่วยเหลือคนอื่นอยากจะช่วยคนอื่นแต่ช่วยไม่ได้ก็เลยทำให้เราเสียใจไม่สบายใจ อันนี้กับกายเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราเราต้องไม่อย่าไปสร้างความทุกข์ให้กับเราเพราะเหตุที่เราอยากจะทำให้คนอื่นเขาเขาเขาดีเขาได้สิ่งที่เขาต้องการถ้าทำได้ก็ทำไปถ้าทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไปใครทำกรรมอันใดไว้ดีหรือเชื่ออย่าต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นใครเขาเจ็บใครได้ป่วยรักษาได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ เราก็ทําเต็มที่ช่วยเขาเต็มที่หายก็หายไม่หายก็ก็เป็นเรื่องที่มันสุดวิสัยเราก็ต้องทําใจอย่าไปเศร้าโศกเสีเยใจอย่าไปโทษตัวเองว่าเราทําไม่พอทําไม่ได้ไม่ทำเรื่องอะไรขอให้เราทําให้เต็มที่ก็แล้วกันเมื่อเราทําเต็มที่ตามกําลังความสามารถแล้วถ้าทําอะไรไม่ได้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องของกรรมของเขาไปแล้วเราก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอย่าไม่ไป มีปัญหาไม่มีไปมีเรื่องมีราวกับใครไม่ไปโทษใครไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับใครสังคมเราก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนมีพรหมวิหารสี่คือเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเราทุกคนที่อยู่ในสังคมนี้ให้มันจเจริญกันอยู่เรื่อย สวดบทแผ่ให้บทให้สวดบทแผ่เมตตากันทุกวันเพื่อจะได้ไม่ลืมว่าเราต้องแผ่เมตตาให้ต่อกันละกันเท่า น, นั้นเองการแสดงสำหรับวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะริวหาปูราริกปุเรนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังสัติตังสุมหังคิพเมวสมิชตะตุสภะปเรนตุสังกปาจันโทปนาวัสโยาถามณิโชติ ภราสุยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวตวันตาาโยสุขีทิทายุโกภวาอภิวาทัญสลิทษานิจังวุฒาปจายินจยตารุธรรมาวะทันติอายุวันโสุขัง ภาลางัลางช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามเจนถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวเพราะเดี๋ยวหลังจากเลิกเราจะไม่สะดวกอยากจะถามเลยถามตอนนี้พอเราเลิกกันแล้วจะเข้ามาถามมันไม่สะดวกนะเพราะต้องทำอะไรอย่างนี้ใครมีคำถามอะไรก็จะเข้ามาถามเองก็ได้ เดีอเขียนใส่สกระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้หรือถ้ามีมือถือก็ส่งมาทางเพจทาง Youtube เดี๋ยวจะมีทีมงานช่วยจัดการเอานำามาอ่านให้ฟังกันอันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีเท่าไหร่ผูต้ติดตามทั้งหมดวันนี้มีเท่าไหร่าทาง a ฟ e b o o k พระจาสุชาติ458 ยู u ูบพระสุชาติไลฟสองรอยยี่สิบแปดยู u ูบด็อกเตอร์วีชาแนลหนึ่งร้อยเจ็ดวิทยุออนไลน์สิบเอ็ดคลับเาส์สิบเอ็ดหน้ากุติร้อยสี่สิบหกรวมเก้าร้อยหกสิบเอ็ดค่ะยังมีคำถามใช่ไหมเดี๋ยวให้ทำนิทามก่อนพ อ, อยากเรียนถามอาจารย์ว่าตอนทำสมาธิครับเวลานั่งกำหนดจิตหายใจไปเรื่อยๆแลบางทีมีหยุดตอนหนึ่งครับมัน เหมือนกับถ้าเกิดสมมติว่ามันสงบนิ่งนานๆแล้วมันเกืบเหมือนรู้ตัวได้ต่อเนื่องสองสามวันเลยอย่างเงี้ยครับอั น, นั้นเขาเรียกว่าฌานใช่ไหมครับเรียกว่ามีสติตอ น, น, ตตนเนื่องสติสัมปชัญญะเหมือนกับตอนนอนก็ยังรู้สึกตัวะนะครับเรียกแสดงว่ามีสติตื่นตัวอถ้าเป็นฌานนี้มันต้องเล่งสงบไม่ไม่มีการเคลื่อนไหวต่างๆถึงจะเป็นฌานอ๋อครับ ถ้ามีการเคลื่อนไหวนี้เรียกว่ามีสติผมหมายถึงว่าตอนที่เราเข้าไปเราพอตอนออกมาปุ๊บแล้วมันมีเหมือนมีสติต่อเนื่ตงสองสาวันเลยครับอ่าได้ดีอันนั้นเป็นผลของจากการเข้าฌานอ๋อครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราสามารถตดได้ไหมครับเพราะผมเคยเข้าได้แค่สองสาครั้งเองครับก็ต้องทําต่อไงมันทําเรื่อยๆไม่หยุดครับออกมาแล้วเดี๋ว่ากลับเข้าไปเ่ยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆต่อไปมันจะทํางาน แล้วมันจะเข้าง่ายออกง่ายถ้าเราหยุดไปแล้วกลับมาทำใหม่มันจะยากมันลืมทางลืมวิธีที่จะเข้าไปทำยังไงครับตอนนี้ผมก็พยายามนั่งสมาธิอยู่ทั่วนะครับอ่าแล้อย<ต>ังไปคิดถึงผลที่ได้ในอดีตเวลาทำครับให้ย<ำ>มมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกปอย่างเดียวครับ เพราะว่าอยายางว่าทำไมยังไม่สงบไม่เหมือนเดิมถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันเข้าไม่เหมือนโลกที่จะปฏิบัติแล้วมันจะไม่ค่อยได้ต้องเจริญสติอย่างเดียวไม่สนใจกับผลที่จะเกิดแลวไม่เกิดให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจเพีอย่างเดียวแล้วมันก็เกิดขึ้นหมแล้วอย่างนี้เวลาตอนอยู่ในชีวิตประจำวันอย่างนี้ควรจะก็มีสติอยู่การเคลื่อนไหวการทางานต่าง ให้ใจไปที่อื่นให้อยู่กับร่างกายตลอดเวลาเรียกกายกะตาสติให้ดูการเคลื่อนไหวตลอดเวลาใจจะได้สงบใจจะไม่ไม่คิดฟุ้งซ่านและเวลาเข้าสมาธิจะเข้าง่ายขอบคุณค่ะกราบถามพระอาจารย์ด้วยค่ะหนูรู้สึกว่าตอนนี้ จิตใจหนูมันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะมากเลยคราวนี้หนูเลยไม่แน่ใจว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าหนูเป็นโรคคือมองเห็นโลกแล้วมันมีแต่ทุกทุกอย่างอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ใช่คนเดิมจากที่เคยเป็นอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่า อ, อย่างที่เคยอยากไปเที่ยวก็ไม่อยากแล้วก็ อย่างที่อยากจะทําอยากต้องการก็งานก็ไม่อยากจะทํำอย่างนี้ค่ะรู้สึกอยากต้องการจะไปบวชแล้วก็หนูก็เลยไม่แน่ใจว่าหนูเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าหนู เ, ออ เ, หเป็น <c oughs> เป็นเรื่องมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าโลกนี้เป็นโลกของความทุกข์และสิ <c oughs> ่งที่เราขาดก็คือความสุขทางใจว่าเราไม่ปฏิบัติงั้น ต, ต้องพยายามเจริญสติแล้วเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆคถ้าไม่เข้าแล้วมันจะไปคิดเรื่องทางโลกแล้วมันจะเศร้าเพราะมันเห็นว่าเป็นทุกข์แต่เราต้องหาที่พึ่งใหม่เมื่อเราพึ่งทางโลกไม่ได้เราต้องพึ่งทางธรรมทางธรรมนี้ไม่เกิดจากการนั่งคิดเฉยๆต้องเกิดจากการหยุดคิดทําใจให้สงกไม่ใจเป็นสมาธิแล้วจะมีความสุขแล้วพอเรามีความสุขใจแล้ว เราก็จะไม่เศร้าไปกับความทุกข์ของทางโลกแล้วขาดเราเห็นครึ่งหนึ่งเห็นทางโลกไม่ดีแต่เราไม่เห็นข้างหน้าว่าเป็นยังไงเราต้องลุยต่อไปอย่าเห็นเฉยๆแล้วอยู่เฉยๆถ้าอยู่เฉยๆมันจะทําให้เราเกิดอาการเบื่อหน่า ย, ายเกิดอาการซึมเศร้าได้เพราะเราไม่สามารถหาความสุขจากทางโลกได้แล้วเราต้องหาความสุขจากทางธรรมพยายามพ ย, ยันเจริญสติพุทโธไปทั้งวันเดินยืนนั่งนอน มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายล้วเวลาว่างเมื่อไหร่ก็นั่งเลยนั่งหลับตาพุโทโธถ้าพุโทโธไม่ได้ก็สวนมนงไปก่อนก็ได้สวนในใจไม่ต้องออกเสียงอยู่ในท่าสมาธินั่งหลับตาเพราะสวนอิติปิโสไปเวลาใจจะเย็นใจจะสบายก็ดูลมต่อได้ก็ลดดูลมต่อไปหรือพุโทโธได้ก็พุโทโธไป ต้องทำอย่างนี้มากๆให้ใจเย็นให้ใจสงกมีความสุขแล้วต่อไปจะไม่สิ้เศร้าช่วงนี้นมันเป็นช่วงวิกฤตถ้าเราไม่รีสอร์ตปฏิบัติมันจะทําให้เราไม่มีที่พึ่งเพราะทางโลกเราก็พึ่งไม่ได้ทางธรรมเราก็ยังไม่ได้สร้างขึ้นมาค่ะตอนนั้นเราจะแข่งความเรนต้องขยันเจริญสติขยันนั่งสมาธิให้มากๆอย่าขี้เกียจหนูนั่งสมาธิแล้วมันมีช่วงหนึ่งที่ รู้สึกว่าลมหายใจมันหายไปเลยอะค่ะก็ไม่เป็นไรให้รู้เฉยๆไม่ไม่ตายแล้วลมมันละเอียดเราเลยจับลมไม่ได้ค่ะใ ห, ให้รู้เฉยๆว่าตอนนี้ไม่มีลมก็อยู่กับความว่างกัน คอยดูว่าอย่าใจให้อะอย่าปล่อยให้ใจคิดปุ่มแต่งขึ้นมาก็แล้วกันให้ใจนิ่งๆเฉยๆอยู่กับความความว่างคือพอรู้สึกว่ามันไม่มีกายแล้วลมมันก็หายไปด้วย่ะคใช่มันต้องหายไปกับกายลมมันมากับกายมันก็ไปกับกายก็คือต่อไปเลยใช่ไหมต่อไปแล้วก็นั่งต่อไปเฉยๆไปนิ่งๆไปอย่าไปทําอะไรอย่าไปคิดอะไรแล้วเดี๋ยวมันก็จะนิ่งกว่านี้มันจะสงบกว่านี้มันจะรวมพอรวมแล้วมันก็จะเบาจะสบายมีความสุขกัน ใกล้ละแต่ยังไปไม่ถึงจุดนะั้นอย่าหยุดดูดูลมต่อไปแล้วดูดูดูการไม่มีลมไปไม่มีลมก็ดูที่จุดเดมนะึ พระอาจารย์ครับบางทีมันโยกแบบหมุนตัวเหมือนลูกห่างอะค่ะหนูไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรก็อย่าไปสนใจมันปล่อยมันโยกไปมันหมุนอย่างแบบเหมือนมันเบาแล้วมันเหมือนลูกห่างหมุนอย่างเงี้ยและเราจะเราอาจจะเพลิดสตินะ้สติเราขาดตอนก็หนึงกลับมาก็ได้ใช้พุทโธก็ได้ถ้ามันโยกก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไอหนึ่งสติกลับมาเั้ือนคนจะหลับอยเงี้ยมันก็มันจะสับประสนกงง่ายขาดการควบคุมขาดสติ หนูพุโทโธอยู่มีมีบริกรรมแต่ว่าแบบพอดีตัวมันเบาจนมันก็ไ ม, นมนไม่เป็นไรก็ปล่อยมันเียกไปแต่ขอให้เราอยู่กับพุโทโธไปแล้วละกันเรไม่มีปัญหาเลย<ะ>เดี๋ยวมันก็หยุดเองนะแอย่าอยู่เฉยๆอย่าไปดูมันเฉยๆอย่าไปสนใจยิ่งสนใจเดี๋ยวมันยิ่งโยกใหญ่ อ, อให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปไม่ต้องไปสนใจกับอะไรให้มีสติมีรายยึดไว้ ถ้าไม่มียึดเดยในจิตใจมันจะเคว้งได้มันจะเสียหลักได้ใ น, ในระหว่างวันหนุให้ดูใจหรื อ, อว่ากายดีกว่าดูกายอย่าเพิ่งไปดูใจเพราะใจมันละเอียดกว่าดูไม่ทันดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเพื่อป้องกันไม่ให้เราไปคิดเรื่องอื่นเป้าหมายก็คือให้เราหยุดคิดหยุดไปอดีตหยุดไปอนานคตให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับร่างกายให้รู้เฉยๆรู้ว่าร่างกายกําลังทําอะไรเท่านั้นเอง โ <Okay>, okay. อเคนะตอนนี้เราต้องพยายามาอันนี้เป็นหัวเลียกหัวต่อถ้าไม่รีบสร้างธรรมมันจะไม่มีที่พึ่งเนพะราะทางโลกเราก็ไม่พึ่งนะเพราะเราร่วมเป็นทุกขนะ์ไม่ห้องเราค่ะไม่ห้องเราแต่เราไม่มีทางธรรมมันก็ไม่มีความสุขมันต้องรีบสร้างความสุขทางธรรมขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของเราต่อไปคำ ถ, ถามจากเด็กหญิงวิจิตราทําไมพระพุทธเจ้าถึงหัวแหลมคะ ไม่มีใครเห็นพระพุทธเจ้าหรอกไม่มีใครถ่ายรูปยุคนั้นไม่มีไอโฟนอันนี้ก็เป็นจินตนาการของศิลปะศิลปินที่เขาปั้นเขาก็ปั้นไปตามจินตนาการของเ้าทนั้นเองไม่มีอย่าไปเอาถือเป็นประเด็นสําคัญอันนี้มีใครโหหลามอย่างนั้นมันไม่มีหรอกของจริงมันเป็นเหมือนเครื่องประดับพิพเศียรท่านให้ดูสวยงามมีสง่าราศีท่านั้นเอง จากหน้าปุติติดต่อค่ะปรับนมัสการพระอาจารย์ครับขอถามว่าผมทําอาชีพเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หมูไก่ยาอาหารสัตว์ผมบาปมากไหมครับต้องหาอาชีพอื่นทําดีไหมครับโดยถ้าเรายังไม่ได้ฆ่าเขานี้มันก็ยังไม่บาปแต่ก็เป็นอาชีพที่ส่งเสริมเพราะว่าสัตว์ที่เราขายหรือเราซื้อนี่มาถ้าเข้าไปฆ่าเป็นอาหาร เมือเท่ากับเราเป็นการส่งเสริมเขาช่วยเขาแต่เรายังไม่ได้ทําบาปเองก็ก็อยู่ในกรอบของความไม่เป็นสัมมาชีอาชีพที่ไปสร้างความเดือดร้อนเบียดเบียนสัตว์ขาดความเมตตาอย่างที่เมื่อกี้พูดว่าเราต้องมีความเมตตาเราทําอะไรจะต้องระมัดระวังไม่ให้ไปเบียดเบียนผูน้โดยเฉพาะชีวิตของผู้อื่นเขา ถาเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วเพื่อที่จะได้เอาไปค่ า, าไปขายเป็นรายได้นี่มันก็ไม่ควรทำํำมีอาชีพยอย่างอื่นขายยาไม่เป็นไรถ้าขายยาอย่างเดียวนี่ไม่เป็นไรขายยาเป็นการปัจจัยสี่นี่อาชีพที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่นี่ไม่เสียหายเป็นพยาบาลเป็นหมอเกี่ยวกับเรื่องรักษาร่างกายขายอาหารทําอาหารที่ถ้ามีเนื้อสัตว์ก็เป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วเราไม่ได้ไปสั่งเขาให้ค่า ไปซื้อดามที่ตลาดที่มีขายทำขายเสื้อผ้าขายม้านจัดสรรอะไรอะนี้ก็เป็นอาทีพที่เหมาะสมกว่าคำถามจากหน้ากุติคะ่ะลูกชายอายุ14ปีก่อนหน้านี้พาไปวัดยอมไปแต่ตอนนี้บอกว่า I don't believe ควรทำอย่างไรคะน้องเรียนโรงเรียนนานาชาติไม่แน่ใจในสังคมฝรั่งคะ่ะ ก็เพราะว่าเขาได้อิทธิพลทางสังคมที่เขาไปที่โรงเรียนซึ่งสังคมส่วนให ญ, ญ่เขาจะไม่มีต่างชาต mm hmm. ิเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องศาสนา mm hmm. เพราะมันเป็นเรื่องที่เขาพิสูจน์ไม่ได้ mm hmm. เขาก็เลยไปเชื่อทางด้านวิทยาศาสตร์แทนเพราะวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เขาพิสูจน์ได mm hmm. ้ก็เลยทําให้เขาต่อต้านศาสนาแต่ถ้า บางคนที่เขาได้ศึกษาศาสนาพูดแล้วได้ปฏิบัติเขาพิสูจน์เห็นประโยชน์ของศาสนาได้เขาก็อยากจะไปเข้าหาศาสนาในต่างชาติบางคนก็มาบวชที่เมืองไทยกันแต่ยุคนี้เรากำลังเน้นด้านการทางเจริญทางวัตถุทางโลกธรรมทางราบยศสารเสริมขกันก็เลยไม่เน้นเรื่องการสอนศาสนา มันเน้นวิธีการปฏิบัติเพื่อจะได้พิสูจน์คาสอนของศาสน า, ศาก็เลยกลายเห็นว่าเป็นาศาสนาเป็นเรื่องงมงายไป<อ>เขาก็เลยไม่อยากจะมาแล้วโดยเฉพาะถ้าเราไปวัดที่ไม่มีการสอนเรื่องการปฏิบัติเนี้ไปเจอวัดที่มีแต่เรื่องงมงายเรื่องอาบน้ำมนเรื่องอะไรต่างๆพิธีกรรมอะไรต่างๆ มันก็ทําให้เขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องเหลีวไหลทั้งนั้นเขาก็ไม่อยากจะม า, างั้นก็ต้องพาเข้าไปวัดที่มีการ ม, มีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเขาไม่ไปก็ก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้ก็คงต้องรออีกระยะหนึ่งเดี๋ยวเขาโตขึ้นเดี๋ยวมันก็ถ้าเขาถ้าเขาเป็นคนฉลาดจริงเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาห า, าศาสนาอยู่นี่เพราะไม่มีในโลกนี้ไม่มีคําตอบที่แท้จริง ให้กับเขาได้คือปัญหาเรื่องของความทุกข์นี้ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ใจเขาได้มีแต่ศาสน า, าพุทธนี้เท่านั้นเองเดี๋ยววันดีคืนดีเขาก็ต้องวกกลับมาบางทีต้องนเดินอ้อมเขาก่อนก่าที่จะมาเจอบันไดขึ้นเขาอีกทีก็ปล่อยเขาไปก่อนก็ล้งกัน คำถามจักคุณนพัททราบว่ามีบางวัดเขาไม่สวดมนต์แต่ให้ภาวนาอย่างนี้ผิดแบบแผนการเป็นบนรรพชิตไหมเจ้าคะไม่หรอกเดิมทีก็ไม่มีการสวดมนต์นีแต่การภาวนาเป็นละการสวดมนต์ก็เป็นการท่องท่องพระสูตรไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สมัยก่อนไม่มีเครื่องอัดเสียงไม่มีไม่มีหนังสือ <S S S S S ที่จะเขียนก็ต้องอาศัยพระนี่คอยสวดคอยจากัน ก็เลยเป็นเป็นการมีพิธีการสวดแต่ไม่ได้สวดเพื่อที่จะมานั่งรวม ก, กันเพื่อสวดนี้การสวดก็สวดตามนําพังก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมารวมกันเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ท่านเน้นการปิกวิเวกให้แยกกันไม่ให้มาจับกลุ่มกันเพราะการมาจับกลุ่มกันแล้วเดี๋ยวมันก็เกิดการที่จะต้องมาคุยกันมาสนทนากันอะไรท่านถึงไม่ถ้าทางวัดปฏิบัติจริงๆ จ, จะไม่มีการมาประชุมกันมา สวนมนุษย์ไหว้าระกันอาจจะสวดก็สวด ท, ที่ที่พักของตอนเองก็ได้ ก, การสวดก็เป็นวิธีทําภาวนาอย่างหนึ่งทำใจให้สงบได้อย่างหนี้มีคําถามหรือมีอะไรไหมรับ เ, เข้ามา เ, าเดี๋ยวเอาไมโครโฟนไปขอเรียนถามว่าคือหนูได้ยินทาง ม, มาจากคุณพ่อคุณแม่ว่าท่านอาจารย์มาจากอเมริกาและทีนี้หนู กำลังที่จะทำใบสมัครแอปพลิเคชันให้มหาลัยปริญญาตรีที่นู่นหนูนก็เลยอยากถามว่าถ้าเอเซของหนูนเนี่ยมันเกี่ยวกับปุทธิสุมแล้วทางนู้มนมาเป็นแบบคริสหนูกลัวว่าเขาอาจจะแบบไม่เข้าใจหนูนหรือเปล่าคะคือทางนู้นก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาก็แยกออกจากก็เขาไม่เอามาเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนเป็นสิทธิส่วนตัวเขาจะไม่ก้าวไกล เราจะเป็นพุทธเราจะเป็นคริสอะไรนี้เขาจะไม่สนใจเขาดูที่คะแนน SAT ของเรามากกว่าดู TOEFL อะไรนี้มากกว่าที่เขาจะมาดูว่าเราเป็นพุทธหรือเป็นคริสเนไม่เกี่ยงนอกจากเราไปสมัครเรียนโรงเรียนคริสนี้ก็อาจจะอาจจะพิจารณาทางด้านศาสนาได้แต่ถ้าเป็นโรงเรียนธรรมดาที่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเขาไม่เขไม่เขาไม่สนใจเราดูคะแนนที่เราเรียนใน High school ว่า อยู่ในเกมที่เขารับได้หรือเปล่าถ้ารับด้เขาก็จะออกใบไอทให้ออกไปทำวีซ่าให้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเราวิตกไปสมัยก่อนง่ายตอนตอนสมัยที่เราไปสมัครเรียนเราก็ไปแต่ไปหาไปห้องสมุดของของสถานทูตอเมรกัน ก็มีสมุดหนังสือเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็ไปอ่านดูหาดูโรงเรียนไหนราคาไหนขนาดเท่าไหรเหมาะสมกับเราพอเราเลือกได้แล้วก็เขียนจดหมายไปขอใบสมัครเขาส่งมาให้แล้วก็กรอกไปกรอกไปเสร็จเขาก็ส่งกลับมารับแล้วก็ส่งใบอนุ ญ, ญาตให้ไปทําวีซ่าได้ท่านนั้นเองง่ายสมัยนั้นเพราะฉะ น, นั้นคนไทยไปน้อยยังมีน้อยมากสมัยนี้มีคนไปมากเราไปแอบบ ไ, ปไปแบบแอบแฝง ไปแล้วก็ไปไปตั้งลูกลากไปอยู่แบบผิกดกฎหมายมันก็เลยทำให้เขาต้องเข้มงวดกวดขันมากแต่ถ้าเราบีคุณสมบัติตามที่เขากำหนดไว้แล้วก็ไปได้<จ> ไ, ดไม่ต้องกังวลนะเขา้าใจไหมเข้าใจครับแต่ที่นี้เอเซที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้มันเป็นเหมือนแบบ p e r s o n a l e s เอเก็พูดไปตามความรู้สึกของเราไม่เป็นไรเราเชื่อศาสนาพูดแ ล, แ, ลแล้วก็เขียนเข้าไป ศา ส, สนาพุทธนี่คุณมีประโยชน์อะไรอะไรกับเราอย่างไรแล้วก็เขียนไปบางทีเขาอ่านแล้วอาจาจะประทับใจก็ได้จริจริงๆวันทีก็ไม่เคยได้ยินได้ฟังทฤษฎีทางศาสนาพุทธแต่ก็ได้ยินได้ฟังเรืองทศาสตร์ ส, สีอะไรนี้ขึ้นมาเขาอกจจะได้ดีนะอ <Okay. S 1> ถ้าเรารู้แล้วเขียนไปได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องกงังวลขอให้เรามีความสุดจริตอย่าหลอกลวงเขา ไปทางความรู้สึกความเป็นจริงของเราถ้าไปหลอกเขานี่เขาจะจับได้แล้วเขาจะไม่รับเราเพราะเราไปหลอกเขาแต่ถ้าเราพูดความจริงถึงแม้่ความจริงนั้นเขาอาจจะไม่ชอบเขาก็อย่างน้อยเขาเคารพในในความซื่อสัตย์ของเราอขอบคุณค่ะนะขอให้เราซื่อตรงนะอย่าหลอกลวงกันคําถามจากคุณนันทพัฒนค่ะ ถ้ามีแม่ชีมาขอความช่วยเหลือจากเราแต่เราพิจารณาแล้วว่าไม่สมเหตุสมผลหรือเราไม่สะดวกใจจึงไม่ได้ให้ความช่วยเหลือหรือทำบุญด้วยเป็นการขาดความเมตตาไหมเจ้าคะถ้ามันมีเหตุผลก็ไม่ขาดถ้ามันมีเหตุผลว่าการช่วยเหลือเขาแล้อาจจะเกิดความเสียหายมากกว่าเกิดประโยชน์เราก็ต้องังับ คำถามจากคุณสุกุลตากราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเราเข้าใจและเชื่อว่าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วทรัพย์สินเงินทองของเราเราอะไรไปไม่ได้สักอย่างเรายอมรับแต่สำหรับความดีบุญทานศีลภาวนาที่เราสะสมไว้มีอะไรเป็นหลักฐานที่ทำให้เราเชื่อมั่นว่าจะนำพาเราไปในพบหน้าได้จริงก็ความสุขใจอิ่มใจของเราเวลาเราทาบุญเราก็มีความสุขใจอิ่มใจ แล้วเวล า, านอนหลับล้วก็ฝันดีฝันดีก็คือสิ่งที่เราจะติดตัวไปเวลาเราตายก็เหมือนตอนที่เรานอนหลับตอนนั้นเราจะอยู่กับความฝันความฝันจะดีก็อยู่ที่บุญที่เราทำไว้นี่ถ้าเราฝันร้ายก็แสดงว่าเราทำบาปเราก็จะเอาความไม่ดีนี้ติดตัวกับเราไปแล้วก็จะฝันร้ายอยู่ในอบายจิตที่ฝันร้ายก็เรียกว่าจิตที่อยู่ในอบาย อยูในลักษณะหิวโหยก็เรียกว่าเปรตอยู่ในลักษณะอวาดกลัวก็เรียกว่าปสุรกายอยู่ในลักษณะอาฆาตพยาบามเครียดแค้นก็สุนารงคําถามจากคุณน้ําฝนการที่เราถวบญใส่บาตรกับพระที่ท่านยังคล้องเกี่ยวกับอบายมุขอยู่เช่นเล่นหวยคบสีกาเราจะได้บุญที่เราทําบุญใส่บาตรกับท่านอยู่ไหมเจ้าคะ บุญที่เราให้ไม่ว่าจะให้กับใครนี้เราได้ให้กับหมาให้กับผ้าที่เป็นผ้าอะหารหรือไม่เป็นผ้าระหารก็ได้เท่ากันคือการเสียสละของเราได้เท่ากันแต่ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้รับนี้จะไม่เหมือนกันถ้าเราทำบุญกับผ้าอะหารเราก็จะได้ธรรมะระดับผ้าอะหารกลับมาถ้าเราทำบุญกับพระที่ทุศีนเราก็จะได้เรื่องทุศีลกลับมาเราก็จะสอนให้เราทุศีเพรานั้นเอง ประโยชน์มันมีสองขั้นขั้นแรกคือประโยชน์ที่เกิดจากการเสียสละอันนี้ไม่ว่าจะไปให้ใครก็ได้เหมือนกันได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันส่วนประโยชน์ที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปให้นี่ก็อยู่ที่เขาว่าเขามีอะไรให้เราคำถามจากคุณเด e Multiversal Unity ขอโอกาสครับทราบว่าถ้าทั้งหกมีความเป็นอมตะ หากสร้างบุญกุศลทานกับธาตุทั้งหแล้วอ น, นิสงฆ์จะมากและยาวนานความเข้าใจถูกต้องไหมครับคือการทําบุญเราไม่ได้ไปทํากับธาตุทั้งหเราทํำกับธาตุรู้ธาตุเดียวธาตุรู้นี้เป็นผู้ที่รับผลบุญผลบาปที่เราทําและผู้ที่ทําก็คือธาตุรู้นี่เองอั้นงธาตุอื่นนี้เขาก็เป็นเพียงแต่องค์ประกอบของของโลกเช่นดินน้ําลมไฟ มันก็ทําให้มีต้นไม้ใบหญ้ามีสัตว์มีมีมนุษย์มีร่างกายของมนุษย์มีร่างกายของสัตว์ในกาชันแต่ผู้ที่สร้างบุญสร้างกรรมผู้ที่รับผลบุญผลกรรมก็คือธาตุรู้คือใจนี้คําถามจากคุณสุกัญญาค่ะปฏิบัติอย่างไรจึงจะข้ามเวทนาได้ถ้าปฏิบัติข้ามเวทนาได้แล้วเวลาเราเกิดเจ็บป่วยหนะักก็จะไม่ทุกข์ทรมานถูกไหมเจ้าคะ คือการจะข้ามเวทนาก็คือการอยู่กับมันอย่าหนี้มันอย่าไปอยากให้มันหายเพราะเราไปสั่งมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ไม่เหมือนกับดินฟ้าอากาศวนมันจะตกแดดจะออกนี่เราไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่เราสามารถอยู่กับมันได้อย่างไม่รีวามทุกข์ได้ถ้าเรายอมรับเลยในเวลาเกิดอาการเจ็บปวดทางร่างกายขึ้นมาก็พยายาม อยู่เฉยๆอย่าไปปฏิเสธอย่าไปอย่าไปยินดียินไายกับเขาวิธีจะทำให้เราอยู่กับเขาได้เราต้องมีสติมีอุเบกขาถ้าเรามีสติมากๆใจก็จะนิ่งมีอุเบกขามากใจก็จะรับรู้กับความเจ็บปวดได้อย่างไม่สะทกสะท้านงั้นพยายามฝึกสติให้มากโดยเฉพาะเวลาที่เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาก็ให้ขยันท่องพุโทโธพุโทโธพุทโธพุทโธไปอย่าพยายามให้ความเจ็บหายไป ต้องการให้ใจนิ่งให้ใจปรป็นูเบคขาเพื่อรับกอบความเจ็บนั่นเองคำถามจากคุณนาวาอยากสวบถามพระอาจารย์คำถามอาจจะยาวนิดหนึ่งนะคะ คือแบ่งหน้าที่กันภายในบ้านสามีทํางานหาเงินคนเดียวหนูเลี้ยงลูกดูแลบ้านไรายได้จากสามีก็พอใช้ในครอบครวัวให้บุพการีและมีเหลือไว้ทําบุญหนูมีความสุขสงบดีค่ะเพราะมีเวลาปฏิบัติธรรมฝังธรรมที่บ้านได้เต็มที่ในช่วงสามีทํางานและลูกไปโรงเรียนและนิสัยชอบอยู่คนเดียวไม่ชอบสุงสริงกับใครอยู่แล้วทําให้มีเวลาว่างเยอะแต่บางครั้งฉุกคิดว่าการมีไรายได้ทางเดียวคือจากสามีจะเป็นการประมาทเรื่องเงินทองเกินไป หมเจ้าคะเคยคิดจะหาะไรายได้เสริมหรือเล่นหุ้นแต่กลัวความสงบของใจจะถูกทำลายคะ่ะหนูคิดแบบนี้ถูกหรือผิดคะและที่ทำอยู่มีอะไรต้องปรับปรุงใหม่คะขอคาแนะนาจากพระอาจารย์ด้วยคะ่ะถ้าเราสามารถมีรายได้เสริมมันก็ดีถ้าเรายังต้องอาศัยเงินทองไว้เป็นการดูแลชีวิตของเราอยู่แต่ถ้าการมีอาชีพเสริมแล้วทำให้มันมาทลายความสงบ มันก็อาจาาะจะไม่คุ้มค่าเราก็อาจจะต้องเลือกเอาระหว่างความสงบกับการมีรายได้เพิ่มเติมเพราะว่าความสงบนี้มันมีประโยชน์กว่าการมีรายได้เพิ่มเติมถ้าเรามีความสงบถึงแม้เราจะอดอยากาขาดแคลนใจเราจะไม่เดือดร้อนถ้าเรามีความสงบแต่ถ้าเราไม่มีความสงบเรามีรายได้ถึงแม้จะมีรายได้ใจเราก็จะมีความทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกว่าจะเอา ทางกายหรือทางทางใจถ้าทางใจก็ต้องเอาความสงบถ้าทางร่างกายก็ต้องหาไรายได้เพิ่ม อ, อันนี้ก็ต้องอยู่ที่เราจะตัดสินใจเอาตามหลักธรรมแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกัวงวลกับเรื่องร่างกายมากเกินไปพอให้มันอยู่ไปได้วันต่อวันก็พอเพราะอนาคตมันอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วเงินทองที่ออุตสาหามาไว้เยอะแยะกลไม่ได้ใช้เลยก็ได้ อย่างนั้นไม่ต้องไปกังวลกับอนาคตเพียงแต่ปัจจุบันให้ร่างกายอยู่ได้แล้วให้ใจสงบใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรใจที่สงบก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใจไม่สงบัมแต่ไปวุ่นวายกับการหาเลี้ยงดูร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรใจจะทุกข์มากเพราะใจไม่มีความสงบทำทำใจให้สงบไม่ได้ยังถ้าถามเราให้เลือกเราก็เลือกเอาความสงบ ทำใจดีกว่าแล้วยินดีสละลาออกจากงานเพราะมันวุ่นวายทํางานแล้วมันวุ่นวายใจไม่มีความสุขพอออกจากงานแล้วอยู่แบบอดอยากขาดแคลนกินมันละเมอแต่ใจสบายใจมีเวลาปฏิบัติได้ทั้งวันเราก็เลือกเอาทางความสงบทางใจทางร่างกายก็พอให้มันอยู่ได้ก็พอเราเปนเราพอดเรามีนิสัยที่เราอยู่กับดินกินกับทรายได้ กอนมือ่อกินมื้อได้เราก็เลยไม่คิดเสร็จเดือดร้อนกับเรื่องของความทุกข์ยากลา บ, บากของทางร่างกายแต่เราเห็นคุณค่าของความสงบของทางใจเพราะเมื่อก่อนเรามีความสุขทางร่างกายแต่ใจเราไม่สุขเลยเราก็เลยบอกว่าเอาความสุขทางใจดีกว่าทางร่างกายก็พอให้มันอยู่ได้ก็แล้วกันไม่ถึงกับตายแต่ไม่ต้องถึงกับสุขสบายแบบเศรษฐีเลยทั้งนั้นอยู่เพอกินเพอ อย่างที่นหลวงสอนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเราจะได้มีเวลามาดูแลรักษาใจให้มันสงบได้ตลอดเวลาเพราะว่าต่อไปเราจะต้องเจอข้อสอบต่างๆที่เกิดกับร่างกายถ้าเราไม่มีความสงบทางใจเราจะเราจะสอบตกเราจะทุกข์มากเราจะซึมเศร้าเราจะเครียดเราอจจะค่าตัวตายได้เพราะเราไม่รู้จักทำใจให้สงบถ้าเราทาใจให้สงบได้ไม่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับร่างกาย จเเรราะไม่ือด น, อนคำถามจากคุณพัฒการกินเจเท่าที่หาข้อมูลได้เป็นแนวคิดของพระเทวทัตที่ในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าท่านปฏิเสธแล้วเทศกาลกินเจที่มีอยู่ทุกๆปีนี้ทำไปเพื่ออะไรเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือไม่ครับก็ในโลกนี้ถ้าขาดปัญญาสักอย่างมันก็ทำลายแปลกๆบาบอกอแตกกันได้ไ ม, <c oughs> มีอะไรร้อยแปดพประการ แต่ถ้มีปัญญารู้ว่าสุขทุกข์อยู่ที่กรรมที่เราทำเท่านั้นเองทำทำดีก็สุขทําทําชั่วก็ทุกข์เท่านี้มันก็จบทุกคนเราก็หาความสุขกันหนีความทุกข์กันก็เลยไปคิดว่ากินเจนแล้วจะทำให้เราสุขไม่ทุกข์กันมันก็สุ ข, ม, สขมันก็ทุกข์เหมือนเดิมะมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าทํากรรมดีไม่ทํำชั่ว น, นี้จะมีแต่ความสุขจะไม่มีแต่ความทุกข์ในศาสานาพูดถึงสอนให้เชื่ออย่างเดียวให้เชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อการกระทำดีการกระทำเชื่อนี้เป็นตัวที่จะทําให้จิตเราสุขหรือทุกจเจริญหรือเสื่อมค่ะคุณจินตนาค่ะกลับเรียนถามเจ้าค่ะแม่อายุเจ็ดสิบสามปีตอนยังไม่ป่วยชอบฟังเทศภาวนาพุทธโทธตล อ, ลอดเจ้าค่ะตอนนี้ป่วยมาประมาณสีเดือนแล้วไม่ฟังเทศไม่พูดเธอเลยเจ้าค่ะก็เป็นเรื่องของท่านอ่ะบางทีจิตของท่านอ่อนแอเพราะถูกกำนานของ ความเจ็บปวดทางร่างกายมาทำให้ไม่สามารถที่จะมีสมาธิมีสติกับการฟังเทศฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องถือว่าเป็นวิบากของท่านไปที่ท่านไม่ท่านประมาทไ ม, ไ ม, ไม่ไม่พยายามสร้างสติสร้างปัญญาให้มากเพื่อเวลาที่เจอกับเหตุการณ์ทางร่างกายจะได้สามารถดำเดนินกิจการทางจิตใจได้ต่อไปคำถามสุดท้ายแล้วนะมีมจ้ะ จากคุณชาตรีค่ะการทาทานอะไรจะได้บุญมากที่สุดครับก็คือการสละหมดเลยมีเท่าไหร่สละไปหมดเลยร้อยเเซ็นแล้วก็ไปบวชอ้าจริงๆดูว่าพระเจ้าพระเจ้าสละแล้จะสมบัติแล้วก็ไปวลลบวชแล้วก็ได้นิพพานมาอโอเคนะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนํามาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ